เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มงพระโพธิญาณกำลังนำเสนอพระพุทธดำริที่ทรงมองสัตว์โลกแล้วก็แยกแยะออกไปโดยอุปมาเหมือนดอกบัวสามเหล่าโดยยกดอกบัวขึ้นสามชนิดนะฮะแต่ก็แยกเป็นสามประเภทเพราะว่า เวลาชมมองที่คนเนี่ยที่เรียกว่ามีอินรีย์แก่กล้าก็มีมีอินซีอ่อนก็มีพวกอินรีย์แก่กล้าก็คือพวกที่สอนได้เร็วพวอินทรียอ่อนมันก็ต้องบ่มอินทรีกันหน่อยซึ่งอ่อนขนาดไหนล่ะแก่กล้าขนาดไหนล่ะมันก็มีย่อยอยู่ในในตรงนั้นกระเจนว่าไอ้สูงสุดเนี่ยมันมีอันเดียว ตอนมีอินทรีแก่กล้าแก่กล้าขนาดไหนเมื่อแก่กล้ากับแก่กล้านี้เทียบกันใครแก่กล้ากว่าอย่างคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับภาษาดิบุตรกับพระโมคขาลานาเนี้ยเราก็จริงอินทรียทั้งแก่กล้านะวางเทศนาสองบรรทัดบรรลุมักผลเป็นประโสดาเนี้ไม่ใช่มือธรรมดาแต่ตอนจะบรรลุมักผลเป็นพระหันเนี่ยพระโมคกขาลานะใช้เวลาเจ็วันภาษาดิบุตรใช้เวลาสิบห้าวัน ในขณะที่บริวารของข่านเนี่ยใช้เวลาแค่นั่งที่เดียวนะนั่งที่เดียวเลยฟังเทศจบก็บรรลุมาผลเป็นรหาหัตเพรา ะ, ะไรเพราะว่าสองท่านนั้นใช้ปัญญามากแต่ว่าบริวารเนี่ยใช้ศรัทธามากศรัทธาเนี่ยไม่ต้องไปสับสนนะครคือเชื่อไปตามนั้นทําไปตามนั้นเลยไปเลยธรรมะเราอื่นเอ่อความเพียรสติส สมาธิปัญญาก็จะสนับสนุนศรัทธาก็จะงับเพราะฉะนั้นพวกพวกนี้ถ้าไปก็จะไปได้เร็วเพราะว่าจะไม่วกแวกจะไม่สับสนแต่การใช้ปัญญาคิดแล้วคิดอีกคิดบางทีก็เจอกระเจิงหายไปเลยแล้วบางทีก็หาจุดบรรจบไม่ค่ได้ก็ตกลงว่าเมื่อมองดอกบัวทั้งสามเหล่าว่า ดอกบัวเหล่านี้บางเหล่ายังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าตั้งอยู่พนน้ำอันน้ำไม่ได้ติดแล้วเสมอน้ำนี่น้ำถูกนะฮะแต่ไม่ติดแต่จริงป้น้ำก็เหมือนกันนะฮะคือถ้าเราถอนเข้ามาดูแล้วเราจะเห็นว่าน้ำไม่ติดเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขามีความมันในตัวพอสมควรเพียงแต่ว่า ยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่อยู่ใต้น้ำเนี่ยดังนั้นก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกโดยที่ประจักษ์สุขส่งเห็นสัตว์ทั้งหลายโดยในย่าที่กล่าวแล้วนะคือประเด็นตรงตรงนี้เป็นเป็นสำนวนบาลีแต่ว่าเป็นการแยกแยะที่เราลองสังเกตว่าไม่ใช่ใช้เฉพาะกรณีเดียวเหมือนกันเช่นเรามีลูกหลาน เรามีผู้ใต้บังคับบัญชาหรือจะมีเพื่อนฝูงอะไรก็ตามคืออย่าไปเอามาตรฐานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปไว้ก็ต้องเอาตามที่เขาจะเป็นได้อ่นะเขาก็เป็นในที่เขาเป็นนั่นแหละมันก็มีความหลากหลายมันเหมือนกับวิวั ร, ร่างกายของเรานั้นมันก็มีสถานะที่แตกต่างกันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันหรอกแต่ก็มีศักยภาพในตัวเขาเอง เราจะเอาตาไปฟังแทนหูก็ไม่ได้หรอกเอาหูมาดูแทนตาก็ไม่ได้เราจะมูกไปดมกลิน่นไม่ใช่เอาเอาหูมาดมกลิ่นแทนจมูกก็ไม่ได้เอาตามาฟังเสียงแทนหูก็ไม่ได้แต่ต่ า, างคนต่างก็มีความสําคัญสําคัญในสถานะตัวเองจะถือว่าใครสําคัญกว่าใครมันก็ไม่ได้เพราะว่าในจุดตรงนั้นแล้วเขาก็สําคัญ แต่ในจุดอื่นก็ว่ากันไปผนอาการเหล่านี้จึงเป็นหลักอย่างหนึ่งในการทำความเข้าใจกับคนปัญหาเวลาเนี้ยที่เราพูดกันว่าพูดกันไม่รู้เรื่องนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเมื่อคืนวันที่สี่นะวันที่สี่ธันวาคม รับสัง่งเรื่การพูดไม่รู้เรื่องก็สองคราวนะคราวหนึ่งก็รู้สึกกรบมุนกับมูลนิธิอะไรที่เข้าเฝ้ามันก็ค่อนข้างเป็นปัญหาในการสื่อสารกับคนเรานะังนบางทีเนี่ยการหนักจริงๆนะฮแล้วก็อามาเคยฟังพวกกลุ่มสมชัชมงสมัชชาทั้งหลายเนี่ยอึดอัดนะฟังแล้วอึดอัดบนะางทั้งที่เราก็เป็นพวกเขา เรามีความรักมีความหวังดีต่อเขาแต่เราฟังไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเจ้าบุญในคุณของแผ่นดินเนี่ยคือเราจะต้องสำนึกคุณของแผ่นดินวันปีใหม่ปีเนีย้ยมาก็เขียนหนังสืออยู่เย็นเป็นสุขในหัวข้อว่ากระตันยูต่อมาตุภูมิคือมนุษย์มันต้องรู้ปรัชคุณของมาตุภูมิ แผ่นดินเนี่ยเขาอยู่ได้นะะโดยไม่ต้องมีเราหรอกแต่ว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแผ่นดินประเทศชาติก็อยู่ได้โดยเราไม่ต้องเกิดมาหรอกแต่เราจะเกิดมาแล้วก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีประเทศชาติเพราะนั้นยังไงคนจะต้องกตัญญูต่อแผ่นดินรู้อุปราคุณต่อแผ่นดินซึ่งหมายความว่าพวกเนี้ยจะต้องมีกิเลสในจักษุน้อยหน่อยมีเหตุมีผลหน่อย แต่ถ้ามีทุลีคือกิเลสในจะากสู่มากมันก็เอากันไม่รู้เรื่องว่าในบ้านในเมืองเราถ้าเราแก้ปัญหาอย่าไปเอาเรื่องมากๆนะที่เราพูดถึงปัญหาใหญ่ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะมันไม่ใช่เทวดามาทำหรือยักษ์มารมาทํามนุษย์มันทําเองเท่านั้นหลยแล้วคนไทยนั่นเองก็ทําตัวเองบ้างทําให้แก่กันและกันบ้าง ถ้าพูดกันรู้เรื่องเราก็แก้ไขได้ตรงนี้มันก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันกันกบที่ของพระเจ้านั้นมองไปสูงเลยนะะมองไปสูงในการมารมาลุมรรคผลได้จริงๆแล้วคนมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ว่าเมื่อเมื่อนี้หรือเมื่อไหนลตานะก่อนพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเราจะทํายังไงเราจะเข้าใจขา่าวว่าคนนี้อยู่ในกลุ่มไหนล่ะ มีอินซีเป็นยังไงมีความพร้อมเป็นยังไงที่จะพูดจากันให้เกิดความเข้าใจก็อย่างที่ไปอบรมนักเรียนนักศึกษาเยาวชนที่ต่างจังหวัดนะอีสานใต้เนี่ยก็ไปเดือนหนึ่งหลายครั้งหลายปีแล้วนะฮนะหกเจ็ดปีปีนี้ปีที่เจ็ดแล้วก็เดินทางกันเรื่อยแต่เราประทับใจอย่างว่าเด็กๆ เ, เหล่านี้น่ารัก คือนั่งฟังธรรมะสองชั่วโมงรวดนะเรียบร้อยมากตั้งใจสนใจนั่งตาแป๋วมองตรงมาเลยซึ่งเราหายากแต่นั้นก็แสดงว่าเด็กเหล่านี้มีทุลีคือกิเลสในจกักษุระดับที่จะฟังธรรมะนี่น้อยก็หมายความมันก็ปรับระดับลงมามาความในกรณีเนี้จะทนได้ เราเคยเอานักเรียนจากกรุงเทพไปเรียนประเภทสาธิตนะก็ไม่ต้องบอกที่ก็หรอกก็เด็กชุดเดียวก็ถตัดสินใจอะไรไม่ได้อ่ะแต่อาจารย์เขาขยาดหมดเลยไม่กล้าเพราะเขาคุมไม่อยู่แต่ก็วันที่มาไปนะ่ะเป็นวันก่อนจะสุดท้ายก็สองชั่วโมงเหมือนกันเด็กเรียบร้อยมาก นั่งฟังตั้งใจตั้งใจฟังแล้วก็สนใจอาจารย์ก็ข้องใจสงสยัยเอ๊ะท่านโยคุณทำยังไงวันเด็กเรียบร้อยบอกไม่ใช่เด็กแกไม่เคยเห็นพระก็ไม่เคยเห็นพร ะ, พระว่าเด็กในกรุงเนี่ยส่วนมากไม่เคยพูดกับพระแล้วเราก็พูดแกเข้าใจนะพอเราพูดกับเด็กเราก็พูดธรรมดาธรรมดาเล่าหนังนิทานง่ายๆไปเผื่อแกได้คิดได้ฉุกคิด นั่นก็แสดงว่าอินทรีย์แกมันค่อนข้างอ่อนนะเพราะงั้นก็ต้องทนกันหน่อยผู้ก็เดกเหล่านั้นก็ต้องทนกันหน่อยแต่ถึงจุดหนึ่งก็เอาได้นะและแนตรงนี้เลยไปจนถึงว่าแม้แต่นักโทษอย่าวนักโทษในเรือนจำเคยไปอบรมนักโทษในเรือนจำ เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่น่าเชื่อนะว่าคนเหล่านี้เป็นนักโทษเวลาตั้งวงคุยความคิดความอ่านเหตุผลสติปัญญานี่แหลมคมแล้วก็มีเหตุมีผลนะบางคนก็เรียกว่าพูดยากเหมือนกันบางคนกลุ่มเหล่านี้มันก็กลายเป็นบล็อกบล็อกบ็อกเป็นเป็นเป็นคนคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเราตัดเคิร์ เวลาให้คะแนนอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่คะแนนสูงนี่มันเอาขนาดไหนล่ะก็ถือว่าเป็นลดหลั่นกันลงมาทีนี้ถ้าแกคะแนนสูงสุดเอาขนาดสักสี่สิบห้าเนี่ยทำยังไงอะมันก็ว่ากันอีกระดับหนึ่งเพราะแกก็ไปไม่ได้หรอกในเรื่องเหล่านี้คะแนนขนาดสูงสุดแกขึ้นไปได้เท่านั้นนะทายังไงมันก็ต้องลดลงมาพอสมควรเพื่อให้ไปได้ ทีนี้พวกอินทรีย์ที่อ่อนมันก็ต้องบ่มกันต้องมีความอดกลั้นมีความอดทนมีการรอคอยตรงนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนึกถึงหลวงพ่อสองลูปนะฮะพูดเท่าทั้งคู่ท่านตายไปแล้วหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านท่านเป็นมหาป ร, ริญนาณนะแต่อายุแกแล้วตอนนั้นก็เจ็ดสิบกว่าแล้วท่านก็เที่ยวไปเอาลูกชาวบ้านที่มันมีแววดีๆตามท้องทุ่งท้องนาะอะไรแต่ไงเนี่ย เอามาอยู่วัดฝึกปรืออบรมสั่งสอนเห็นถ้ามีข้าวจะไปได้ก็ามาบวชรามเยรแต่ก็เอามาฝากกระจายอยู่ในวัดต่างๆในกรุงเทพสมพานก็ต่อว่าเอาวันเณรก็มาหานี่ไม่เรียบร้อยเลยฝึกปรืออะไรก็ลำบากแกบอกว่าถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะเอามาฝากแต่เท้าทำไม พอเด็กก็ไม่เรียบร้อ ย, อยงไงเอาฝึกมาให้ช่วยฝึกให้เรียบร้อยก็ลูกชาวนาจะเอายังไงเราคิดครนเต็มตัวอยู่เนี่ยคิดครนยังไม่หมดเลยหลวงพ่อคนหนึ่งก็เหมือนกันแต่เอาเนรมาจากภาคอีสานตรงแรก เ, เนรมาทางใต้มีคนก็ต่อว่านะะเนนไม่เรียบร้อยบูดจชาอะไรอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่อง ทัานก็บอกว่าโยมจะใ้อาตมาทำยังไงอาตมาเอามาฝึกปรือจนผู้กระโยมรู้เรื่องบ้างเนี่ยมันดีขนาดไหนให้เวลาหน่อยที่ให้เวลาฝึกหน่อยสิเราเอาเข้ามาจากทุ่งนาจากป่าเขาจากหลังเขาคือจะเอาให้พูดรู้เรื่องได้ทันทีทันใดทำยังไงแต่เวลาเนี้ยที่จริงสังคมมันเปลี่ยนนะเพื่อแต่เราไปคุยกับเด็กแต่แถ น, นั้นเนี่ย คนะฮะไม่ใช่เล่นแล้วก็ไม่ค่อยกลัวคนไม่ค่อยตื่นคนปูจาการเข้าใจอธิบายอะไรก็ตอบคำถามได้นี่ก็คืออาศัยสื่อสื่อต่างๆที่แพร่กระจายออกไปในมีส่วนดีอยู่มากในด้านของการศึกษาแต่ว่าเด็กแกไม่ค่อยได้รู้นะะแกดูพวกกระตรงกระตูนไป ดวงละเมงละครไปก็เลยไม่คยได้เรื่องอะไรตลกอะไรอะไรพวกเกมโชว์ทั้งหลายนี่นี่ก็แสดงว่าในแนวตรงนี้การทำการงานก็ได้อินซีอ่อนทำงานก็ได้สอนหนังสือก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ได้ทำคอมพิวเตอร์ทาอะไรปิพมดีก็ได้เขียนหนังสือก็ได้นะก็ถือว่าอินซีออนก็ต้องรอคอยกันหน่อยปัญหาสำคัญของมนุษย์เนี่ย ก็ยังนึกถึงเรื่องหนึ่งที่เขามีการประชุมกันหลายปีแล้วเยวก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าบุคลากรที่เป็นผิดผลจากการจัด ก, การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับทบวงหมาหาจัยแห่งรัฐเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเขาก็ตั้งประเด็นขึ้นมาสี่เรื่องหนึ่งเรื่องความรู้เป็นยังไงสองความคิดเนี่ยเป็นยังไงสาม ความสามารถทักษะในด้านต่างๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สี่คุณธรรมเป็นยังไงก็ในที่สุดเนี่ยวพิปรายกันเยอะนะฮะว่ากันเดแล้ในที่สุดมันก็ได้บทสรุปพอาความรู้นะเขาไม่ติดใจหรอกก็สามารถประถมนิเทศเราได้เพราะว่างานมันจะบีบตัวเองเข้าไป เฉพาะกรณีวพราะะนันปฐมทิเทศไม่เท่าไหร่มันก็ทําได้เพราะความรู้พื้นฐานมีอยู่แล้วความคิดเนี่ยเขาไม่พิจกกังวลเพราะพวกนี้ไม่ใช่เอามาคิดคิดมันก็เป็นระดับผู้บริหารที่จะระดมสมองกลับมาคิดกันมีที่ปรึกษามีรายละเอีรดอยู่แล้วมันไม่ใช่ประเด็นแล้วก็ความสามารถเนี่ยเขาฝึกเอาได้ ก็เป็นงานเฉพาะด้านตองการความจำนานเฉพาะด้านแล้วก็พื้นฐานก็มีอยู่แล้วก็ฝึกพักเดียวก็ได้ละแต่ที่เขาห่วงมากเนี่ยคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตหาคนซื่อสัตย์สุจริตยากและเวลาเนี้ยเราจะจับทุจริตของคนอีนเพ่งเลงแต่คนนั้นจะทุจริตคนนี้จะทุจจริตเวลาเนี้ยจะจับอะไรล่ะ ตอนสมัครเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จับอะไรล่ะพวกนักการเมืองพวกสมัครพูดแทนซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงอะไรต่อไหนคือกรอบเนี่ยมันมันฟังยากนะคือมาว่าอย่างภาพของสังคมเนะี่ยอย่าลืมหมอมนุษย์อนะมนุษย์คือสัตว์สังคมนะไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรก็ตามต้องมีรายจ่ายต้องมีการเป็นค่าน้าําค่าอาหารค่าอะไรต่อไรค่ารถค่า นะสารพัดนะฮะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่นั้นะการทํางานเป็นทีมเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ยังไงแล้วจะต้องเลี้ยงดูกันเลี้ยงดูก็ไม่ได้จะทํำยังไงก็มนุษย์เราก็กินข้าวกันเป็นหมู่ทํางานเป็นหมูก็กินข้าวกันเป็นหมูจะทํำยัำยงไงคือกฎหมายบางเรื่องมันก c ว v ร r มากไปหน่อยนะคือมันทําลายสัญชาตญาณแบบมนุษย์ไว้ทําแบบมนุษย์เนี่ย แล้วก็พอทำอย่างนั้นมันก็ฝืนนะ่ะฝืนธรรมชาติพอฝืนธรรมชาติมันก็ลำบากแล้วก็เครียดด้วยกันทั้งสองฝ่ายปัญหาใหญ่เนี่ยมนุษย์ต้องมีความเห็นที่เป็นสัมมาชิติแล้วอย่าละทิ้งธรรมชาติมนุษย์ถ้าไปเสดธรรมชาติมนุษย์แล้วจะลำบากเพราะว่าความจริงเนี่ยเราทุกอย่างมันเริ่มที่คนพระอรหันต์ก็คือคนน่ะ แล้วก็สอนกันอย่างมนุษย์ที่สอนมนุษย์อ่ะพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างมนุษย์สอนมนุษย์ก็เอามนุษย์เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องของตัวเองและก็เรื่องของคนอื่นเรียนได้เร็วได้ช้าก็อยู่ที่พื้นฐานของท่านทีนี้บางคนเนี่ยมีอาการดีบางคนมีอาการทามตัวการดีก็แสดงว่ามีความพร้อมและเราจะพบนะฮะจะพบบุคคลเหล่า น, นี้ตอนพระพุทธเจ้าเผยแผ่ศา ส, สนาเนี่ย บางคนอาการแย่มากเลยนะท่าทางนักเลง น, นะมาฟังเทศนี่ท่าทางนักเลงผู้จ้าตะโกนส่งเสียงดังมาจากไกลบอกชื่อโคตรของตัวเองเป็นการอวดว่าตัวเองมีชาติสกุลสูงนะเพื่อจะเชิดชูตัวเองนะแขกไม่ไม่เบานะฮะพระเจ้ามักตำหนิ เวลาคนมาประชุมกันมากๆเนี่ยว่าเหมือนกับชาวประมงแย่งปลามักจะให้พระอนุนไปดูอนต์ไปดูสิใครส่งเสียงดังอยากใหชาวประมงแย่งปลากันนั่นก็แสดงว่าอาการไม่ดีไม่รู้ที่อะไรเป็นยังไงตอนปลายๆพุทธสมัยเนี่ยพระเจ้าเคยไล่พระสงฆ์ตั้งห้าร้อยนะออกไปจากที่ประทับ แต่ลูกศิษย์ภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะส่งเสียงดังทักทายกันขโมงชงเสียงเลยรับสั่งถามพระอนุนว่า อ, อนนุ์ใครส่งเสียงดังอย่างกระเจ้าประมงแย่งปากันอนุนก็บอกว่าลูกศิษย์ของภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะเขาทักทายกันกันบเจ้าทินฝุ๋ยกันลัน่นไม่ดูพระพุทธเจ้าอยู่รับสั่งไล่เลยให้ออกจากวั ด, มดไม่อยู่ คนนี้ต้องออกนะพระสารีบุตรพระโมกคลานะก็ต้องออกด้วยแล้วพอถึงเวลาพอสํานึกแล้วก็เรียกเข้าเฝ้าก็รับสั่งถามพระสารีบุตรว่าคิดยังไงตอนที่เราไล่พิสูจออกไปในสารีบุตรคิดยังไงก็ตอนนั้นปลายพุทธสมัยนะฮะพระสารีบุตรก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะสงคนภายน้อยประกอบสุขในทิฏฐธรรม ข้าพระองค์ก็จะขวนขวายน้อยประกอบสุขในทิฏฐธรรมด้วยย่าก็ให้จติภาษาดบุตรคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกไม่ควรคิดอย่างนั้นโดยประถามพระโมคคัลลานะโดยประโยคเดียวกันพระโมคคัลลานะท่านคิดอีกแบบหนึ่งท่านบอกว่าพระผู้มีประภาคเจ้าคงจะทรงขวนขวายน้อยประกอบสุขในทิฏฐธรรมต่อไปข้าพระองค์กษัริยบุตรจะช่วยบริหารทรงแทนพระเจ้าประส่์อนุมันาสาธุดะ ภาษาธุสาธาทูโมคลานะเธอคิดถูกต้องเราสารีบุตรและเธอเท่านั้นที่สมควรต่อการบริหารคณะสงฆ์เพราะถ้าพระสารีบุตรประโมคลานะไม่นิพานไปก่อนการบริหา ร, ราศาสนาน่าจะมาแบบโบ๊นะน่าจะมาแบบโ ป, ปนะ๊ทที่วัาดิษกนัน่าจะมีศูนย์รวมหรือเป็นประมุขสงฆ์ ท, ที่ถ้าเราเทียบเคียงเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเส้นปอนมันก็คล้ายๆกับภาษาี่บุตรแต่ภาษาดิบุตรนั้นนิพานแต่นั่นเองแล้วงั้นเมื่อพระพเจ้ากับ น, นิพานภาษาวกทั้งสององค์ น, นิพานไปก่อนก็ไม่มีใครที่อยู่ในฐานะตรงนั้นศา ส, สนา ก, ก็เลยมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยโดยเอายึดถือพระธรรมวินัยเป็นแกนเป็นศาสดราทแทนแล้วพระเจ้าก็ทรงวางไว้เองฮะทีนี้พวกพวกที่สอนให้รู้ได้ง่ายหรือสอนให้รู้ได้ยากเนี่ย สอนใหรู้ได้ง่ายเนี่ยไม่แปลกมันมีวิธีแต่ว่าสอนเรื่องอะไรเนี่ยมันมีรายละเอียด น, นะสมมติว่าท้องจีแนแห่งหนึ่งที่เขามีการทำประมงกันเนี่ยเด็กๆมันก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเนะสร็จแล้วก็ไปสอนเรื่องประมงเด็กตรงนั้นก็เข้าใจนะแต่ถ้าเอาเด็กหลังเขามาสอนเรื่องการประมงทะเลเนี่ยมันก็เรื่องยุ่งมากันนะก็สอนยาก หรือ่เอาเด็กเมืองหลวงไปสอนการทำนาในดำนาเนี่ยดำนาหวานข้าวเนี่ยมันเป็นเทคนิคนั้นน่ะเป็นเทคนิค น, น, นั้นการหวานข้าวการดำนาก็ถ้าสอนลูกชาวนามันก็ได้เร็วแต่สอนลูกคนในกรุงซึ่งไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นหน้าเลยบางทีไม่เคยเห็นการดำนาเลยมันก็สอนยากปัญหาสำคัญคือว่าสอนใครแล้วก็สอนอะไร แต่ความยากง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ลงตัวว่าตรงนี้ยากตรงนี้ง่ายอย่างคนไทยเรามาสอนภาษาไทยมันก็มันขยกักสอนภาษาอังกฤษก็มืนนะสอนฝรั่งก็มืนแต่ปัญหาว่าไม่ได้มืนทุกคนเด็กไทยวบบนี้ก็เก่งจะได้ส่งไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศไปอยู่กับฝรั่งดูโคศกต่างสถานีโทรทัศน์ทาสถานีวิทยุนี่พูดฝรั่งสําเนียงเป็นฝรั่งไปเลย ก็ง่ายสมหรับพวกเธอแต่ไม่ง่ายสมหรับทุกคนทีนี้พวกเธอถ้าโอกาสไม่ให้โอกาสไม่ให้จะไม่เกิดสลังเขาพวกเธอก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเรียนรู้น่าศึกษาเรียนรู้ว่าอาการทั้งหมดต่อเ น, นี่ยเพราะถึงจุดหนึ่งคนจะต้องอยู่ในโครงสร้างท่วาตกีเนี่ย คือเรื่องความซื่อสัตว์สุจริตเพราะอะไรเพราะเขาจะอยู่โดยลำพังเขาแล้วก็ไม่มีใครไปควบคุมใครได้ตลอดออกมนุษย์นั้นจะต้องมีจิตสำนึกที่คุมตัวเองได้จยปร่อยคนอื่นไปควบคุมได้ยังไงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมันไม่ใช่อะไรห่ะ มีผู้ใหญ่ก็แต่งก็แต่งประชดนะฮะแต่งกรประชดมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าฟังนานละสาสิบกว่าปีนท่านบอกว่าเกิดเป็นคนมีนายไม่ง่ายนักต้องรู้จกักหลบเป็นปีกหลีกเป็นหางนายไม่อยู่เที่ยวมันปล่อยคอกลาง ร, รู้ท่าทางนายกลับถึงจับงานรู้ประจบสอบพลอรู้ยอนายถึงคราวร้ายท่านก็คงจะสงสารแม้นผู้ใดสัตซ์ซื่อถือแต่ ง, งานของดักดานประสบจบทุกคน นั่นก็แสดงถึงว่าขาดความซื่อสัตย์ซื่อตขาดความรับผิดชอบแล้วก็ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อสรงต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเป็นคําสอนที่เรียกว่าเป็นทุพาสตร์คือกล่าวไม่ถูกกล่าวไม่ดีแล้วถ้าใครยึดถือประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดความเสียหายขึ้นมา แ, นแล้วคนเหล่านี้ยเอ่จะเรียกมีอาการไม่ดี สอนยากนะจะแก้ไขยากคนแนวที่สูงมองคราวนั้นเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการสอนธรรมะเพื่อบรรลุมรผลแต่มันก็กระจายโครงสร้างออกไปครอบคลุมพฤติกรรมของคนในทุกสาขาอาชีพที่เราสามารถเอาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบได้ทั้งฝั่งทั้งไหล แตรามะโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไผบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี